หลวงูอาพาธพระจารย์ธิวามาดูแลท่านแล้วหากพระจารย์ธิวาอาพาธก็จะต้องยอมรับให้หลวงปู่มาดูแลด้วยจึงจะเท่าเทียมกันไม่อปรเษกกันซึ่งพระจารย์ธิวาจำต้องยอมรับสัญญาดังกล่าวมิฉะนั้นหลวงปู่จะไม่ยอมรับความปรารถนาดีจากพระจารย์ธิวาเป็นแน่แสดงให้เห็นถึงความไม่ถือตัวของหลวงปู่แม้ท่านจะเป็นพระเทระผู้ใหญ่ มีภาษาถึง53สาภาษาแล้วขณะที่พระจารทีวามีภาษาเพียง20ภสิภาษามีอารมณ์ขันแม้ลุ ก, กุหลุยท่านจะเป็นพระกรรมฐานแต่ท่านก็ยังคงมีความอารมณ์ขันให้ลู้จิตได้พบเห็นอยู่บ่อยๆครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่อยู่ถ้าผาบิงพุทธศักราช2510ท่านคงได้อ่านพบข้อความจากหนังสือพิมพ์และเห็นหน้าขัน จึงจดบันทึกไว้และท่านได้แสดงธรรมะ่อด้ทยกข้อความนั้นข้อความในหนังสือพิมพ์นั้นคงพูดถึงความเบื่อโดยเฉพาะผู้ชายที่ชอบเบื่อเมียในข้อความที่ลูกปู่บันทึกไว้จึงพูดถึงเรื่องความเบื่อว่าเบื่ออะไรก็ไม่เท่าเบื่อเมียเบื่อกับข้าวเลิกกินแล้วกลับอยากกินเบื่อดูหนังเลิกโจกคลาว กลับชอบดูอีกเมียไม่ใช่วัตถุเช่นนั้นเบื่อแล้วจะเปลี่ยนก็ยากจะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไม่สนิทจะให้คนอื่นเสียก็ไม่ถนัดจะทิ้งก็ไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหนเบื่อแล้วยังต้องเห็นต้องพบเข้าใกล้ก็ยิ่งเบื่อต้องเป็นเช่นนั้นนี่แหละความเบื่อถึงอุกฤษความเบื่อก็อจะความซ้ำซากจําเจ แก้เบื่อด้วยวิธีหยุดย้ายที่ตื่อพักหรือเปลี่ยนใช้แก้เบื่อพอและจิตเสมอเสมอและก็พออยู่โบราณท่านว่าน้ำปักเอาน้นาบบงเมื่อเบื่อเกิดจากความลำบากหนักเข้าก็ชาจนชินการเบื่อมีขึ้นแล้วความเบื่อก็หมดได้ธรรมดาผู้ชายทั้งหมดต้องเบื่อเมียส่วนผู้หญิงเป็นเจ้าของผู้ชาย ต้องทนความเบื่อไม่มีความรู้สึกชี้ใดอีกแล้วที่มีฤทธิ์รุนแรงเท่ากับความรู้สึกเบื่อเมียจำเป็นจำใจต้องอดทนไปเบื่อแล้วกลับชอบเช่นในกลิ่นคนหนึ่งเบื่ออาหารที่เธอกินยิ่งกินซ้ำซากบ่อยด้วยการจาเป็นจนชินต่อไปเธอกลับชอบเมื่อเธอมีครอบครัวแล้ว เธอแต่งอาหาชินั้นกินบ่อยๆอัตตกิละมถานุโยกกับกามสุขขันธิการุโยกเป็นคู่กันชังแล้วกับรักรักแล้วกลับชังเพราะไม่เที่ยงผู้ทุชนมีอารมณ์วนเวียนอยู่กับอารมณ์เท่านั้นวางความรักความชังไม่ได้เหมือนพระอริยกเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุไม่รู้เท่าสังขาร ปกติหลวงปู่จะเปลี่ยนสถานที่จำพรรษายอยู่เสมอเมื่อไปอยู่ที่ใดก็จะต้องเทศนาอบรมผู้คนในละแวกนั้นในระหว่งางพรรษาแต่ละปีท่านจะไม่อยู่ที่เป็นประจำแต่จะเดินทุดงไปเรื่อ ย, เ, อยเมื่อมีผู้ทราบกิจจัตต์ก็จะมา ก, าาการาบนมัชฌิตรายมวนท่านไปพักตามสถานที่ต่างๆการทุดงของหลวงปู่ในระยะหลังปีพุทธศักราช2520 ท่านมียยุกว่า70สิปีแล้วจึงไม่ได้เดินตุดงด้วยเท้าเหมือนอย่างตะก่อนแต่มีรถยนต์นำท่านไปท่านจึงมาพูดด้วยอารมณ์ขันว่าตอนนี้กลายเป็นกรรมฐานคุณนางไปแล้วคือไม่ได้จับปายบาทแปกโกรดเดินด้วยเทา้าแต่เดินทางด้วยรถเป็นการตุดงด้วยรถอีกครั้งหนึ่งหลองปู่ได้เข้าไปโรดแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาหัวหมากได้ได้เข้ารับการตรวจร่างกายด้วยเมื่อทางแพทย์ขอท่านทําทะเบียนประวัติคนไข้ท่านได้ลงชื่อในทะเบียนแล้วท่านได้กรอกในช่องที่อยู่ด้วยตนเองว่าที่โปรดแต่เรื่อยๆไปก็นับเป็นอารมณ์ขันอีกอย่างหนึ่งของท่านและก็เป็นจริงเช่นั้นชอบอ่านหนังสือลุง ป, ปู่ จะอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำแม้ท่านจะไม่อยู่ที่ไหนนานๆแต่ในการออกเรียนตุ ด, ดงของท่านทุกครั้งนอกจากบาทและยามที่ใส่เครื่องบริขารแล้วดุงปู่ก็ยังมีหอผ้าปอขออีกห่อหนึ่งข้างในเป็นหนังสือและสมุดบันทึกที่นำไปด้วยเมื่อพักจากการนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมลุงปู่ก็เปลี่ยนอิเรบด้วยการอ่านหนังสือท่าใจปิดกหรือบูปสิกขาวนา หรือธรรมบทที่นาไปด้วยอ่านแล้วก็บันทึกข้อความที่ท่านประทับใจลงไว้ในสมุดมาในระยะหลั ง, ห ล, งหลังปู่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่มีผู้นามาถวายอ่านแล้วบางครั้งก็นาข่าวมาให้ข้อคิดทางธรรมะบางคราวหลวงปู่อ่านข่าวแล้วก็เตือนพระเนตรและลูกศิษย์ให้ผากกันตั้งใจภาวนาเพื่อเอาใจช่วยให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข ถถวาพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร ะ, กะเกษมสำราญเป็นนักจดบันทึกลวงปู่หลุยเป็นผู้ที่ชอบจดบันทึกเหตุการณ์และข้อธรรมะต่างๆนับตั้งแต่วันบวชจนถึงวันมรณภาพท่านจะจดบันทึกไว้ในสมุดหลายชิดเล่มมีสภาพและขนาดต่างๆกันตามแต่ท่านจะหาได้สมุดบันทึกของท่านจะเป็นสมุดฉีดบ้าง สมุดนักเรียนบ้างเศ็จกระดาษที่ตัดให้เท่ากันทําปกแล้วจะได้ร้อยเรียบเป็นเล่มบ้างแสดงถึงความประหยัดมัธยัดใช้วัสดุให้คุ้มค่าซึ่งลุปูจะใช้สมุดบันทึกเหล่านี้อย่างประหยัดมากบรรทัดหนึ่งบางครั้งเขียนสองแถวที่หวางหัวกระดาษและท้ายกระดาษท่านก็เขียนแต่หมดทุกหน้า เรื่องราวทีลูกปูนํามาจดบันทึกไว้ที่สารพัดสารพันเรื่องทั้งข้อความที่ท่านได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ข้อคิดความเห็นที่ท่านสังเกตและประทับใจในปฏิปทาของครูบาอาจารย์การบรรยายสถานที่บําเพ็ญธรรมที่ท่านผ่านพบสภาวะจิตและสภาวะการภาวนานของท่านเองในสถานที่แต่ละแห่งในระยะหลัง การปารบธรรมที่เกิดขึ้นในใจของท่านป่าปนแล้วก็ความเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานที่บุคคลและเรื่องราวต่างๆที่ท่านอ่านพบได้ยินได้ฟังหรือประสบเองทัานสะดุดใจท่านก็จดบันทึกไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องราวมักจะไม่ต่อนเนื่องกันและไม่เรียงลำดับก่อนที่บันทึกและลุงปู่หยิบได้สมุดเล่มใดที่มีที่ว่างท่านก็จดบันทึกลงไปทันที มีความสามารถในเชิงพภาวนาโวหารหลวง ป, ปู่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้โวหารทำให้ผู้ได้ฟังหรือได้อ่านเกิดมโนภาพคล้อยตามประยัติศาสตรึงเช่นพรนานาพุทธคุณในการนำบูชาพระรัตนตรัยท่านจะเกิดนามเป็นประจำว่ า, บ, าบรรดาพรุเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสในโลกนะท่านมีพระคุณมากที่สุด มากที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้คุณของพระพุทธเจ้าคล้คลายๆกับอากาศคนที่ประณคุณของพระเจ้าคล้คลายๆกับนกบินเนกาดฉะนั้นเหตุฉะนั้นอธกถ า, าจารย์ทั้งกล่าวไว้มากก็จริงอยู่แต่สํารวมแล้วมีสามอย่างคือพระปัญญาคุณหนึ่งพระมหากรุณาคุณหนึ่งพระบริสุทธิคุณหนึ่งเช่นนี้เหตุนั้น เหตุนั้นโอปนังิโกนัพระคุณขอพระพุทธเจ้าเอามาตั้งในดวงใจของพวกเรานะให้หัวใจของพวกเรานี้ไม่อยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าบางสถานที่ซี่หลวงปู่อยู่จํจาพรรษาแล้วมีผู้ถวายกรถินหรือพระป่าท่านจะเทศชมเชิญสถานที่นั้นเพื่อผู้ฟังเกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาและบูรณะสถานที่ เช่นที่ภรรณนาถึงวัดถ้ำแก่งยาวในงานกฐินเมื่อพุทธศักราช2508ดังนี้สถานที่ถ้ำแก่งยาวมีลำคลองรอบวัดมีน้ำอุปโภคบริโภคประดมไปด้วยน้ำสะอาดสถานที่ถ้ำแก่งยาวเป็นภูเขาเอกเทศลูกหนึ่งสวยงามมีกอไผ่ตามลำคลองร่มเย็นเขือชอุ่มเป็นสถานที่เจริญชัน้นธรรม แก่พระโยค่าวาจจรเจ้าทั้งหลายที่ท่านโคจรมาชตุรทิตทั้งสหลวงปู่มีมโนภาพเป็นภูเขากัณฑมาศซึ่งเป็นที่อยู่ของพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งท่านได้เขียนพรรณานาเป็นภูเขานี้ไว้หลายครั้งแต่จํานวนดังเช่นภูเขากัณฑมาศเป็นภูเขาสูงตั้งตระงงานสวยงามที่สุดในโลกสวยงามมาก มีเขาอื่นน้อใหญ่เป็นบริวารสวยงามมากมีแม่น้ําบนภูเขาน้ําลึกใสสะอาดมีท่าน้ํำหลายแห่งเช่นท่าอาบน้ําของพระประเจกกับพุทธเจ้าท่าน้าเทพเจ้าทั้งหลายท่าน้ํากินนอนกินรีท่าน้นนนํานคนทันและฤาษีผู้มีฤทธิ์ท่าน้ําอมนุษย์งามด้วยไม้ดอกพันไม้ทิพย์รวยรื่นนำมาซึ่งความร่าเริงบันเทิงใจเปน็นอันมาก เป็นที่ประทับของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยความผาสุกเป็ น, นอิริยรันรสชาติของน้ำภูเขาคานุมานนั้นมีรสหวานหอมชื่นใจอริสอร่อย เ, อเป็นน้ำที่กล่นกรองจากธรรมชาติดีแล้วเป็นที่ยินดีของเทพเจ้าทั้งหลายเป็นที่ยินดีของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายจุดน้ําทิพย์ที่ดีโอสถต่างต่างต่างกับน้ําธรรมดาของมนุษย์ ธรรมดาบริพกทุกวันนี้มีความสามารถในการโน้มน้าวใจคนเืบษนึ่งมาจากความสามารถในเชิงพนา ว, วาหารของท่านทังนั้นไม่ว่าในงานบุญใดๆก็ตามที่ลุงปู่ไปร่วมด้วยแล้วการแสดงธรรมกถาของท่านจะเป็นสิ่งโน้มน้าวใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังให้มีความยินในทานสหรับปัจจัยบำรุงวัดมากขึ้นเสมอมาการนนาวา ของท่านจะกล่าวเป็นความงามความน่าประทับใจของวัดและอนิสงส์ที่จะได้จากการที่มาร่วมการทําบุญกุศลในครั้งนั้นๆนอกจากนั้นเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อลูกบูไปพักอยูที่ใดท่านมักจะโน้มหนาวใจคนให้ผากกันว่า้พระสวดมนต์รักษาศีลให้ทานและภาวนาเป็นประจำทุกวันเช่นครั้งหนึ่งที่สวนบ้านอ่างอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเริ่มแรก ท่านก็จัดอบรมเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขต ส, สวนต่อมาชาวบ้านใกล้เรือนเคียงทราบข่าวก็ผากันมามากขึ้นท่านได้สอนให้ทุกคนอาจมังกายจนลิกเทีเ่ยวให้ลูกศิษย์คนหนึ่งมังกายได้สาเบ็จคือพริยาของนายแพทย์เจ้าของสวนบ้านอ่างนั่นเองชอบบริจาคทานในการเทศนาขอหลวงปู่ทุกครั้งท่านจะเน้นถึงการบริจาคทานเสมอ และตัวท่านเองก็ได้ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พระเนนอุบาสกบรสิกายด้วยท่านมีพูดถือสดงขวัดอยู่อย่างประหยัดมัธยัต์อยู่แล้วดังนั้นตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2526หลวงปู่ได้สั่งให้นำปัจจัยที่มีผู้ถวายทำบุญกับท่านไว้ทั้งหมดขอจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิจันทเจาโร แล้วนำดอกผลไปช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์รวมทั้งจะส่งไปทำบุญตามวัดป่าที่กันดาลประมาณปีละ4ี่สิวัดเรื่อยมานอกจากการให้ธรรมะและบริจาคคุนทรัพย์แล้วหลวงปู่ทำโปรดให้เป็นทานอีกด้วยดังที่ท่านเคยบันทึกไว้ว่าการทำร่มท่าแปรปรวนวิ่งเวียนศรริจษาแต่พออดทนทาได้เพราะยินดีนในการทาให้เป็นทาน ทำจนเป็นอาจินกรรมมีเมตตาอนประมาณไม่ได้หลวงปู่หลุยท่านมีความเมตตาอย่างมากต่อชาวบ้านที่ท่านได้เดินทางป่านไปหรือไดแวะพำนักท่านพบกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีในอย่างที่ชาวบ้านอัตขัดขัดแคลนท่านก็ช่วยแนะนำสั่งสอนการทำอาชีพต่างๆเช่นหาครูมาสอนให้ต่อ้าเวลาชาวบ้านเจ็บปวดกันมากๆ ไม่มียาจะรักษาหลวงปู่สงสารผู้ป่วยเหล่านั้นก็คิดอาหาทางช่วยเหลือจึงนดปรุงยากขึ้นให้ชาว บ, บ้านใช้รักษาตัวศาสที่ตำ ร, กกรากล่าวว่ามีพระพุท ธ, ธาุญาติและให้ภิกษุผู้อาพาช้ได้คื อ, อยาดองน้ำมูดเน่าเช่นหปู่บันทึกตำรากยาไว้ว่ายาดองอย่างดีเยื่อวัวดำหา ม, มูดเน่าของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในบุปผสิกขาเป็นอนุสาส ซึ่งพระอุปชาให้แก่กุลบุตรที่บวชใหม่เป็นยาที่สำคัญมีชื่อเสียงอย่างดีเด็ไม่แพ้กับยารัฐบาลตามรัฐต่างๆหมักขามป้อมหนึ่งสมอหนึ่งกระชายหนึ่งข่าหนึ่งขิงหนึ่งกระเทียมหนึ่งเขาหอหนึ่งเดือบอระเพ็ดพริกไทยหนึ่งตะไคร้หนึ่งเกลือหนึ่งน้ำผึ้งหนึ่งว่านพลายหนึ่งใบมะกรูดหนึ่งใบมะนาวหนึ่งผักหนอก หรือใบบัวบกหนึ่งผักอีเลิศหรือใบชะพลูหนึ่งดีปรีหนึ่ ง, งใบมะขามหนึ่งเยื่อวัวดำต้งเสียก่อนใบสะดาวใส่บ้างนิดหน่อยใบส่องฟ้าทั้งรากใบใบแบ่งลักษใบกัะเพราพริกใหญ่ธรรมดาเยื่อวัวดำเป็นอันขาดไม่ได้เป็นโอสถสสำคัญมากทีเดียวแก้โรคเบาหวาน ทำที่จังหวัดจันทบุรีผ่านมาครั้งหนึ่งบ้านผือตำบลนาใ น, านาถ้ำปนงามทำข้าวนั้นมีชื่อเสียงดังมากวัดป่าจังหวัดประฐุมธานีก็ทำเหมือนกันกินข้าวอริอร่อยมากกินแล้วใครๆก็ติดใจอุบาสกุบาสิกาทั้งหลายจะเดินเนินมาแล้วได้ผ่านมาแล้วตั้งหลายปีดังนี้เห็นอันนีส้สองสุกครั้งเป็นยาประมัดของพระพุทธเจ้าโดยแทย้ เป็นยาในพระพุทธองค์ศัสดาโดยตรงจะได้สั่งสอนสืบสืบมาจนทุกวันนี้ความเมตตาของหลวงปู่ไม่ได้มีแตก่กับมนุษย์เท่านั้นท่านกล่าวเสมอว่าจะต้องแผ่เมตตาไปให้ผู้ที่เป็นอมนุษย์รวมทั้งสัตว์ต่างๆด้วยความเมตตาของท่านจึงประมาทไม่ได้ครั้งหนึ่งถ้ารับนิมนต์ไปปักชายทะเลแห่งหนึ่งเพราะท่านเห็นว่าชาวบ้านในบริเวณนั้น นานดำเครื่องเครียดไม่เกิดพบแสงแห่งธรรมะเลยและพวกเขาเป็นชาวพระมงทํารับนิมนต์ในเพื่อให้อวาาพวกเขาได้ทำบุญบ้างหลวงปู่เป็นผู้ที่มีความอดทนในการเทศนาสั่งสอนนำสวดมนต์บ้ายพระและปฏิบัติภาวนาแม้เวลาท่ทานอาพาธเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามสมกับที่ท่านได้บันทึกไว้ว่าเราได้ละชีวิต ให้ยาติโยมมาดุดกินเลืดเนื้อของเราดังนั้นในช่วงอุลาที่หลวงปู่มีอายุถึง87ปีแล้วท่านก็ยังแสดงธรรมเทศนาทุกวันเพื่ออบรมพระเนนและผู้มีศรัทธา